เห็นกายโดยความเป็นของศูนย์ขั้นสุดท้ายของการฝึกมีสติอยู่กับกายการฝึกเห็นกายโดยความเป็นธาตุนั้นและความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ในกายได้ก็จริงแต่เรายังอาจหลงเข้าใจผิดอยู่ว่า เหล่ า, าธาตุมีความตั้งมัน่นทั้งนี้ก็เพราะโดยธรรมชาติของดินน้ำไฟลมนั้นรวมกันคงรูปอยู่ได้และคุมไว้ในสภาพน่าจดจำว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งเกือบร้อยปียาวนานพอจะหลอกให้เราหลงนึกว่ากายมีความตั้งมั่นได้ฉะนั้นแม้ไม่รู้สึกถึงความมีบุคคลในกายแล้วจิตก็อาจเผลอหลงไปยึดกายเป็นหลักที่พึ่งได้อยู่ เพื่อให้จิตเลิกยึดกายให้ถึงที่สุดขั้นสุดท้ายของการฝึกมีสติอยู่กับกายจึงควรเห็นกายโดยความเป็นของศูนย์ไม่ต่างอะไรกับฟองสบู่ที่พร้อมแตกออกพอรู้ซึ้งว่าที่แท้กายนี้ต้องดับไปเป็นธรรมดาความรู้สึกว่ากายนี้เป็นหลักที่พึ่งที่มั่นคงก็ย่อมดับลงสนิทเช่นกัน เพื่อทราบชัดว่ากลายเป็นของศูนย์ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจผ่านความจริงที่เห็นด้วยตาเปล่านั่นคือคนเราต้องตายเกิดเท่าไรตายเท่านั้นความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการตายก็คือร่างกายจะกลายเป็นซากศพหากไม่มีการขัดขวางกระบวนการทางธรรมชาติ ด้วยวิธีฉีดยากันศพเน่าศพจะต้องเน่าเปื่อยผุพังในไม่ช้าการใช้ตาเปล่ามองศพของจริงในระยะต่างๆ ต, ตั้งแต่สภาพคล้ายคนนอนหลับธรรมดาแล้วเริ่มทื่อเพราะการแข็งตัวของกล้ามเนื้อชนิดไม่อาจกลับยืดหยุ่นได้อีกไปจนกระทั่งน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิม้มและจบลง ด้วยการเปลือยป่นผุพังไปไม่เหลือแม้แต่โครงกระดูกนับว่าเป็นเครื่องกระตุ้นความรับรู้และเหนี่ยวนำจิตให้เกิดนิมิตเทียบเคียงเข้ามาในกายตนได้อย่างรวดเร็วหากมีโอกาสดูศพสภาพต่างๆได้จึงควรดูแต่หากยังรู้สึกสยดสยองเกินจะรับก็อ่านฝึกมีสติอยู่กับกายจนจิตเห็นทะลุทะลวงเข้าไปเห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้ผิวหนังเสียก่อน แล้วจะไม่ต้องอาศัยความใจถึงในการฝึกขั้นสุดท้ายอีกต่อไปนักเจริญสติที่มีความรู้สึกตัวดีนั้นเพียงการสะดับรับรู้ว่าความจริงสุดท้ายของกายเป็นอย่างไรก็เพียงพอที่จะเหนี่ยวนำให้จิตเห็นจริงตามนั้นแล้วโดยไม่จำเป็นต้องเคนนึกให้เหนื่อยแต่อย่างใด ผู้ฝึกย่อมทราบว่ากระบวนการเน่าเปื่อยผุพังไม่ได้เกิดขึ้นจริงกับกายหยาบสิ่งที่เห็นเป็นเพียงการแสดงของกายละเอียดหรือนิมิตเหนือจริงซึ่งบันดาลขึ้นด้วยอำนาจทางใจหน้าที่สำคัญของนิมิตคือแสดงความจริงขั้นสูงสุดเกี่ยวกับกายให้เราประจักษ์และคลายความถือมั่นเสียได้ ความจริงขั้นสูงสุดของกายที่เรียกกันว่ากระบวนการเน่ามี9ก้าประการดังนี้ 1. กายนี้จะต้องเป็นศพผุพองมีน้ำเหลืองไหลเป็นธรรมดาเพราะขาดลมหายใจและไออุ่นเชื้อโรคในร่างกายที่มีอยู่มากก็จะทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อ จนเกิดก๊าซขึ้นมาทำให้เนื้อหนังขึ้นสีเขียวภายในหนึ่งวันโดยมากเริ่มจากท้องน้อยด้านขวาก่อนแล้วอืดพองทั้งตัวเมื่อก๊าซลามไปทั่วร่างจากนั้นแรงดันของก๊าซจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในสามวันจะดันลิ้นออกมาจุก ป, ปากและดันลูกในตาให้ทะลักออกมานอกเบ้าแถมด้วยกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงเกินทน นอกจากนั้นการยุติชีวิตจะทำให้การไหลเวียนของเลือดยุติตามน้ำเหลืองจะค่อยๆซึมจากเส้นเลือดออกมาขังอยู่ตามช่องโพรงต่างๆเช่นช่องอกและช่องท้องและล้นออกมาทางปากทางจมูกฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นศพของสาวสวยหรือหนุ่มหล่อปานใดก็จะน่าเกลียดน่ากลัวไม่ชวนให้อยากแตะแม้ด้วยเท้า ประสบการครั้งแรกมาเกิดขึ้นเมื่อนอนเจริญสติระลึกถึงกายโดยความเป็นของเน่าเปื่อยแล้วหลับไปเกิดนิมิตฝันรู้สึกคล้ายนอนตามปกติแล้วกลายเป็นศพกะทันหันมีน้ำเหลืองไหลร่างบวมแป่งขึ้นเรื่อยๆส่งกลิ่นคละคลุ้งถ้าไม่เตรียมใจวางเฉยไว้ก่อนหลับก็อาจตกใจตื่นด้วยความหวาดผวาแต่หากฝึกเตรียมว่า เจอเมื่อไรเฉยเมื่อนั้นก็อาจประคองจิตให้ดูไปเรื่อยๆได้การฝึกที่นับว่าได้ผลจริงๆต้องทำได้เป็นปกติแม้ลืมตาเตื่นอยู่เพราะจิตเป็นสมาธิมั่นคงดีแล้วเพียงระลึกถึงกายอันปรากฏตามปกติอย่างนี้พอนึกถึงคราบใครที่เกาะเนื้อหนังภายนอกนึกออกว่าภายใต้ผิวหนัง มีน้ำเลือดน้ำเหลืองบรรจุอยู่จากนั้นเพียงระลึกว่าร่างนี้ต้องเน่าเปื่อยเมื่อขาดลมหายใจและไออุ่นทันใดก็อาจรู้สึกราวกับเกิดแลผลผุพองขึ้นทั้งตัวน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิม้มออกมาจากแผลเดี๋ยวนั้นโดยไม่นึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยตรงข้ามกลับจะสนุกด้วยซ้ำ เพียงนิมิตในข้อแรกนี้ปรากฏได้นิมิตข้ออื่นๆก็จะตามมาเองโดยไม่ต้องจงใจกำหนดเนื่องจากนิมิตถูกสร้างขึ้นจากยานอย่างรู้ความจริงเกี่ยวกับการเน่าเปื่อยของกายกระบวนการเน่าเปื่อยที่เหลือย่อมแสดงตัวออกมาเองขอให้เข้าใจว่าถ้าจิตไม่ใหญ่ไม่สว่างตั้งมั่นมากพ อ, อยังต้องเค้นนึกอยู่ก็จะเป็นเพียง จินตนาการไม่จัดเป็นความอย่างรู้ตามลำดับแต่อย่างใด 2. สศพนี้จะต้องถูกสัตว์กัดแทะเป็นธรรมดาเมื่อตายกลายเป็นศพก็ย่อมส่งกลิ่นแบบศพแม้คนธรรมดายังรับกลิ่นไม่ได้แต่สัตว์เช่นมแมลงวันรับได้และจะตามกลิ่นคาวมาถึงศพ ภายในเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงตัวเมียจะวางไข่ไว้ในส่วนที่ชื้นเช่นรูจมูกลูกในตาช่องปากหรือตามบาดแผลหลังจากนั้นส2องชั่วโมงจะมีตัวนอนฟักออกจากไข่กลายเป็นดักแด้และแปรสภาพเป็นฝูงมแมลงวันยัวเย้ะอีกทียิ่งถ้าวางไว้กลางทุ่งโลง่ง ก็จะเห็นแรงก า, มาหมามดมารุมถึงดุดงานเลี้ยงมื้อใหญ่ไม่จํากัดแขก 3. สศพนี้จะเหลือเพียงโครงกระดูกผูกด้วยเส้นเอ็นฉาบเลือดเนื้อเป็นธรรมดาเมื่อถูกสัตว์แทะกินเนื้อหนังขาดแหว่งก็ยอมเผยให้เห็นแก่นของกายคือโครงกระดูกซึ่งเบื้องแรก จะยังมีทั้งเลือดและเนื้อหนังติดอยู่บางส่วนนอกจากนั้นยังมีเส้นเอ็นร้อยรัดยึดโครงกระดูกให้รวมอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนด้วย 4. สศพนี้จะเหลือเพียงโครงกระดูกผูกด้วยเส้นเอ็นฉาบเลือดเป็นธรรมดาเนื้อเป็นสิ่งที่จะสูญหายไปก่อน แต่อาจยังเกระกรังด้วยคราบเลือดเปื้อนกระดูกและมีเส้นเอ็นผูกยึดอยู่ห้าศพนี้จะเหลือเพียงโครงกระดูกผูกด้วยเส้นเอ็นเป็นธรรมดาเลือดจะหายไปแต่โครงกระดูกยังคุมเป็นรูปได้เพราะมีเส้นเอ็นยึดอยู่ 6. โครงกระดูกนี้ จะกระจัดกระจายเป็นธรรมดาเส้นเอ็นเป็นสิ่งที่หมดสภาพก่อนกระดูกเมื่อขาดเส้นเอ็นร้อยรัดแล้วความจริงที่ว่ากระดูกแต่ละท่อนต้องแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางจึงปรากฏให้ดู 7. โครงกระดูกนี้จะมีสีขาวดุดสีสังเป็นธรรมดาเมื่อไม่เหลือแม้เส้นเอ็น ก็ยอมปรากฏเพียงสีขาวโพลนของกระดูกชัดไม่ต่างจากเปลือกหอยทะเล ก, กากเดียว 8. โครงกระดูกนี้จะกองเรืองรายมีอายุได้เกินปีเป็นธรรมดากระดูกที่ถูกวางตากอากาศไว้ไม่ถูกดินโคลนทับถมจนแร่ธาตุซึมเข้าไปอุดโครงจะยังคงสภาพเป็นกระดูกอยู่เกินปีได้ไม่นาน ก็เริ่มเข้าสู่ภาวะกุพัง 9. ก้าโครงกระดูกนี้จะผุพังป่นเป็นผงแหลกละเอียดเป็นธรรมดาถึงขั้นนี้จะไม่มีเหลือแม้โครงรูปกระดูกศักแต่ว่ากลายเป็นผงอะไรกองหนึ่งในทางปฏิบัติบางคนนั่งหลับตามีสติอยู่กับกายจนเกิดสมาธิอย่างใหญ่ พอกำหนดจุดใดจุดหนึ่งเช่นผิวหนังก็อาจเห็นหนังลอกออกเป็นชิ้นชิ้นเห็นโครงกระดูกตั้งอยู่แล้วถล่มล้มคลืนกลายเป็นผงเหลือเพียงจิตผู้สังเกตการสว่างจ้าเด่นดวงอยู่ปราศจากรูปนิมิตและความอาลัยใหญ่ดีในกายแล้วครู่หนึ่งโครงกระดูกจึงค่อยกลับมารวมกันเลือดเนื้อค่อยหนาขึ้นกระทั่งสุดท้าย ปรากฏรูปหลอกว่าเป็นมนุษย์ดังเดิมอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นความสำเร็จในการเห็นกายเป็นของศูนย์เช่นกันสาระคือเมื่อเห็นได้เป็นปกติไม่ต้องคิดไม่ต้องจินตนาการแม้กายยังคงตั้งอยู่ให้จับต้องได้ก็ไม่อาจหลอกจิตอีกต่อไปว่าสิ่งนี้ตั้งมั่นมีแต่จะรู้สึกอยู่ตลอดว่ากายนี้เป็นของว่าง กายนี้เป็นของเปล่ากายนี้เป็นของศูนย์เช่นเดียวกันกับกายของทุกคนบนโลกนั่นเอง